ใช้บางสิ่งซึ่งผู้เพื่อนลืมไม่ลง ค, คิดดูมีคนคนหนึ่งเนี่ยเราตื่นแต่เช้าเห็นแก่กวาดเห็นตั้งแต่เราอายุห้าขวบจนเราเป็นหนุ่มมีลูกมีหลานแกก็ยังกวาดอย่างนี้มันเลยกลายเป็นสิ่งน่าทึ่งจริงไหมจริงไหมครับเดี๋ยวนี้เรามีปัญหามากครับเรื่องเรื่องว่างงาน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 ที่เรียกว่าค่านิยมหรือเกณฑ์อะไรทางสังคมมันทำให้เราทนไม่ได้จะทำในสิ่งที่เราเป็นสุขเราก็ทนไม่ได้มื่สมัยประมาณ 3-40 ปีนะ่ประเทศสหรัฐอเมริกานี่พ่ายแพย้ต่อความรู้ทางห่วงอวกาศแกโซเวียต คือสเวตเป็ส่งจดุจที่ชื่อสปนิคขึ้นไปได้ก่อนที่อเมริกาก็ขายที่หน้าก็เลยเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนเพื่อคัดเด็กเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นมาสู้กับโซเวียตดังนั้นวิชาคณิตศาสตร์จึงขึ้นหกสิบเลขขาหกสิบพิชคณิตหกสิบประเทศเราซึ่งเป็นขี้ค่าของฝรั่งนยะก็เปลี่ยนโครงสร้างการศึกษาตามนี ก็ลดวิชาวาดเขียนเหลือยี่สิคะแนนการพีมมือสิบหคะแนนภาษาไทยสิบห้าคะแนนวยากรณไทยสิบห้าคะแนนลดลดล ด, ล ด, ลดแล้วเด็กที่เก่งวยากรณไทยเก่งวาดียนเก่งการพิมือนี่เป็นเด็กหัวอ่อนถูกตัดสินว่าเป็นเด็กหัวอ่อนนี่คือคาถากรรมครั้งสําคัญที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยผมเป็นเด็กเข้าใจไหมครับที่จริงเด็กเก่งวาดรูปหรือเก่งการพิมือมันไม่ใช่โง่แต่ว่าถูกตัดสินว่าโง่ เด็กเก่งคณิตศาสตร์ก็สอบเข้าได้เป็นวิศวกรเป็นอะไรตทำนี้ให้เลนั่นเป็นเรื่องของรัฐครับรัฐบาลไม่ใช่เรื่องเด็กรุ่นนี้จําไม่ได้ครับต้องคนอายุประมาณสี่สิบขึ้นบน จ, จ, จึงจะจึงจะจําฟอร์มหลังอันนี้ได้ภาษาไทยเป็นภาษาเราเองสิบห้าคะแนนเละอะไรเลียงความนี่สิบ้าคะแนนครับ ซึ่งเรียงความนานยามนานี่ยคมมสคะแนนย่อความสิบคะแนนซึ่งวิชาเรียงความมันวิชาสำคัญที่สุดย่อความสําคัญที่สุดอย่างถ้าคนเก่งวิชาย่อความเนี่อย่างฟังผมพูดชั่วโมงเนี่ยสามารถสรุปประเด็นได้จริงไหมครับสรุปประเด็นได้ทันทีว่าอย่างแม่นอยำเนี่ยคือคนที่เก่งย่อความแล้วจากสรุปประเด็นได้ตัวเองสามารถยืดขยายแผ่กลุมวุฒิเนี่คือเก่งเรียงความจริงไหม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 ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ไมอาดสั่งสอนกันให้เป็นระบบได้ในโรงเรียนหรือในมหาลัยถ้าคมีความทุกข์ขึ้นมาอย่างในบรรดาจะไ ป, ปรึกษาศาสตราจารย์ที่ไหนคงคงไม่มีใครตอบคาถามนี้ได้อย่างดีก็ได้คําแนะนํานั้นครับไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์มันก็ไม่สบายใจยด้วยครับมันก็ผมทราบจากจิตแพทย์ด้วยกันว่าในบรรดาจิตแพทย์เนี่ย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 รักษาเพื่อนที่เป็นบ้านะเดี๋ยวคุณก็บ้าตามเันนะเพราะว่ามันไม่อยู่ในร่องในรอยแล้วเราก็คุมตัวเราไม่อยู่ <c oughs> ปีหนึ่งผมนั่งรถไฟจาก่ า, านอยไปกงเทพคือนั่นมีพระรูปหนึ่งนำคนบ้าไปรักษาคนบ้าคนนั้นก็บ้าแปลกมากครับเขาบ้าโลจริงเพชรแล้ว <c oughs> พอ พอเฟ้พอสักพักก็ลุกขึ้นกาดมวยแล้วก็กูโผล่กิ่งเพชรแล้วก็โจกลงฟึดฟัดฟึดฟัดแต่นี้ไม่ไม่ไม่ไม่แปลกอะไรแต่ที่แปลกคือผมเห็นหลวงพี่อันนั้นเนี่ยรั้งจีวรออกมาแล้วอัดด้วยหมัดเรล่งเปล่งแล้วคนบ้าคนนั้นก็สุดนั่งนิ่งไม่กล้าแสดงออกเป็นโผล่กิ่งเพชรคือหลวงพี่ท่านคงผมไม่ได้ว่าท่านไม่ดีนะคือท่านคงคุมอยู่คงเป็นคนไข้ของท่าน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 เด็กนะครับถ้ามันเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันยจะลืมนะครับว่าเด็กคเวลาเมืม่อพูดว่าเด็กเนี่ยก็คือรูปนามเข้าใจไหมคือ ก, กายกับจิตนีนแ่แหละแล้วมันเฝ้าดูแม่มันอยู่ถ้าตื่นในเช้าเห็นแม่หน้าเบ้เนี่ยมันก็มันก็เรียนมันก็เรียนแบบดังนั้นก็ติดถึงลูกครับมนคนปกากใต้ก็เลยด่าว่ามึงมึงบ้าถึงลูกเขาว่างนั้นเข บ, บ้าติดลูกเขาว่าอย่างนั้นเ ข, เขาด่าคนงั้นเขาบอก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 แต่เห็นเช้าเย็นในพ่อแม่ฮือแห่กันอยู่ทีนี้มันก็รู้สึกเป็นวัฒนธรรมที่ที่ธรรมดาของเขาพอเขามีเมียเขาก็ฮื่งแห่ใส่เมียเขาเขาคิดว่าเป็นธรรมดาดังนั้นเมื่อเราเกี่ยวข้องกับคน อ, อื่นนะครับเราต้องสํารวมมากๆ ก, การไม่สํารวมมนะันเหมือนกับการแพร่เชื้อการโลกออกไปในน้ําหรือมือนคนที่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 จริงไหมครับเหมือนเขาแกล้งทําว่าเขาเมตตาลงสารด้ว่านในใจเขาเกลียดเนี่ยไม่ช้าไม่นานนะคุจะจับได้เห็นไหมครับว่าไอตัวไอตัวความคิดในเรื่องในทางไม่ดีเนี่ยถึงจะอําพลางอะไรเดี๋ยวเขาจับได้นะฮะดังนั้นความคิดนึกข้างในนะครับมันเหมือนระเบิดเวลารอเวลาที่จะที่จะพุ่งออกมาเท่านั้นเองพดังนั้นเราควรระวังใจระวังจิตใจไม่ให้คิดในทางไม่ดี แล้วก็โน้มน้าวตัวเองให้คิดแต่ในทางที่ที่ดีครับแล้เราสามารถที่มองในแง่ดีได้ด้วยนอกจากแง่ร้ายสมมติเราเห็นเนนกําลังกินข้าวเย็นเนเราคิดไงดีครับ เ, เราเราถ้าเราเคลื่นคลาดมากๆเห็นพระกินข้าวเย็นเรา อ, อจาจจะโกรธก็ได้โมโหก็ไปชกพระสักทีเราเลยกลายเป็นตัวเลวยูกว่กับพระสิ่งไหมครับนี่ย สมมติเราเห็นเนกินข้าวเ ย, นเยเ็นผมก็เห็นเห็นเนรกินข้าวเยน็นผมไม่ว่าอะไรผมบอกหิวก็กินเด้แต่อย่า ก, กินบ่อยนะคือเรามีสิทธิ์ที่จะคิดในแง่ดีได้แล้วคิดว่าอืมนีม่ขนาดเป็นเนรมันยังกินข้าวเยน็นถ้ามันไม่บวชให้เหลืองอย่างนี้มันคงจะไปเที่ยวฆ่าคนนะดีแล้วที่มันเป็นเนรกินข้าวเย็นอย่างนี้เราคิดสิ่งนี้ได้ครับเพราะโดยข้อมที่จริงก็เป็นอย่างนั้น ทีเ่เราเราจะมองในแง่ดีได้ซึ่งดีแบบมองในแง่ร้ายแต่ถ้าดีที่สุดคือมองตามที่มันเป็นจริงนะครับมองตามมันเป็นจริงผมเห็นเนรผมผมไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรคิดว่าเด็กครับเนนจะหกคะแนนตีลังกาผมคิดก็เหมือนกับเด็กๆนั่นแหละถึงเวลาแกข้็สมรวมได้อย่างนี้ใช้ได้แล้วครับ หรือเรมองพระสอ์บางทีเราเกณฑ์พระสองเกินไปนะครับผมเคยเป็นนักบวชก็รู้ญาดโยมคนนะมั้ยเหลื อ, อรอ้ายจริงเเกณฑ์พระจะให้หลุดพ้นตั้งแต่วันแรกบวชเลยไม่ได้ท่านเป็นพระท่านต้องบริสุทธิ์ท่านต้องเคร่งนี่นก็มาทําไมโยงวันนั้นไม่บวชตะเองให้รู้แล้วรู้รอดไปจะมาเคี่ยวเข็เขนพระส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นฮะโดยเฉพาะโยมเร็วๆนะผมพูดตรงๆนะชอบเคี่ยวเข็เขนพระคือตัวเองคล้ายๆชดเชยกัน ตัวเอกล็กมเล็กกินเหล้าเมายาแล้วเห็นพระกินยาดองนี่เดียวโกรธนี่เป็นอย่างนี้ครับดังนั้นถ้าเรามองโลกในแง่ดีนะครับอย่างน้อยสุดจิตใจเราค่อยๆสดชื่นขึ้นคือเรื่องราวจะจบสิ้นลงอย่างง่ายดายนะครท่านอาจารย์สมมุตท่านเคยยกตัวอย่างดีท่านบอกว่า สมมติีคนขโมยกระเป๋าเงินเนี่ยนะฮะจึงในนั้นมีเงินด้วยเราจะต้องโกรธและเสียใจมากมากแต่ถ้าในขณะนั้นเราหมอง่ายดีก็หมอกดีมกันได้ทําบุญคิดอย่างนี้คล้ายๆมันคล้ายๆพูดปลอบใจตัวเองแต่จริงๆแล้วดีนะฮะเพราะยังไงเสียมาเอาคืนไม่ได้แหละเราคิดว่ากระดีมกันเราไม่ได้ทําบุญมาหลายปีแล้วก็เอาสัทีเรียกว่าจำยอมแต่ก็ได้ผล ได้ผลจริงด้วยคืออย่างน้อยสุดในใจที่สเออดีแล้วล่ะเราก็เราไม่ค่อยได้ทำบุญอยู่แล้ววันนี้อาจารย์ก็จะประชุมนะครับผมขอเลอกท้านี้เดี๋ยวจะมีการประชุมใช่ไหมใช่ไหมครับ ปัญหาคือยังไม่ได้ปฏิบัตินะครับควรจะหมดปัญหาได้นะ <c oughs> ไม่ควรจะถามครับม <c oughs> <c oughs> ีปัญหาอะไรครับ <c oughs> เป็นทหารแล้วก็เขาเขาบอเขาบอกให้ติดติดร่นะแล้วจนีอขอกให้จริงรก็มีอคนอ่าที้ใหญ่ม่กาุร่อที่เป็นเรที่มทโยนโยนตัให้ให้ดคือศัฒนาแบบผู้คนไม่ได้เป็นราอะไรก พูดถึงแมพุ่งไปเลยตื่นเต้นเลยมันเป็นมันไม่สบายใจอืมฟุ้งง่ายจริงคือเรื่องคิดแล้วไปแล้วนะครับดีนะปัญหาถามดีเดียถามดี แม้ที่เกิดขึ้นกคนคนหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะเป็นข้อที่จริงร่วมกับกหลายคนนะ นะผมเพิ่งักข้าเมนที่ที่ทสุสานกลับมาอยู่ทงางแนมะ่น้ำโขงนะที่เซนอ๋อแค่เ อ, อ่ยชื่อเท่านั้นเองก็จริงนะคือสมมติว่าเหตุที่ทำให้เราลั่นระนาดีกนันมี แต่หมายควเราต้องต้องมีเรื่องที่ฝังใจมากๆนะครับสมมุติว่าผมนั่งดูนี้นะนั่งหันหน้าทางนี้นะครับแล้วเพียงแต่ตาเหลือไปเห็นเสือสีแดงโดยไม่ตั้งใจนะครับผมอาจจะนึกถึงคนหนึ่งที่ชื่อแดงก็ไดนะ้โดยไม่มีเหตุผลแต่เหตุมันมีครับคือไปเห็นสีแดงนะเข้าใจไหมครั บ, นะรบเห็นสีแดงเพอคนนึกปุ๊บไปทันทีโดยไม่รู้ตัวนะมันไปแล้วทีนี้พอนึกถึงคนชื่อแดงเอาแล้ว มันก็ลุกลามกันไปสาวไปเรื่อยสาวเป็นอย่างนั้นด้วยครับจะเป็นอย่างนั้นเ น, นี่ยมาดูมันดูสิ่งนี้นะครับธรรมชาติที่สมมติผมนั่งดูดูหนูคนนี้นะฮะพอเห็นที่ใส่แว่นตาเนะี่ยพอเห็นปับ๊บการเห็นไม่ใช่เห็นอย่างเดียวนะโดยโดยทั่วไปเนะี่ย ยิ่งเห็นแล้วยิ่งสนใจนี่มันยิ่งจำครับมันจำครับไปเลยทีนี้ผม ห, หนันมมองทางนี้ไม่ไม่ใช่สีสมองมองมองมองข้างหลังโน่นไอไ อ, อสมมุติว่ามันเกิดเรื่องคือภาพนี่มาซ้อนกันอยู่ภาพนี้นะครผมเริ่มไม่สบายไอไอสิ่งที่ฝังอยู่มันเลยไปปนกไงผมเลยเห็นน้องคนนี้กขาผมยาวๆด้วยก็เป็นผู้หญิงอยู่นี่ยุง่งกันอ ย, ย่าง มันบวกกันเท่าครับมันบวกกันเนียเพราะนั้นสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าผมเห็นอันนี้แล้วโดยโดยกระบวนการธรรมชาติมันจบสิ้นหรืนะที่จริงผมต้องทิ้งอันนี้ก่อนเห็นอันนี้จึงเห็นอันนี้ตามที่เป็นจริงใช่ไหมครับใช่ไหม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 ดังนั้นชีวิตจะเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอจะเริ่มต้นใหม่พอคุยกับคนใหม่ก็เกิดความรู้สึกสดๆขึ้นมาใหม่ทีหนึ่งดังนั้นจากคําถามที่ถามนี่ดีนะครับที่เขาเป็นปัญหาเป็นปัญหาร่วมสมัยทีเดี ย, มยวมักจะโยงเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องหนึ่งโดยที่ไม่รู้สึกตัวครับจริงๆผมพูดเรื่องพระเขมรไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรัลยนะพระเขมอ ผมเาว่าพระเมรผมไปบรรยายที่วัดหนึ่งพระเขมรก็เข้านอนเรียบร้อยโยมนั่งสมาธิอย <news> ู่เ <mañana> ท <benim S 2> <rawd Moder> ่านั้นเองแปลกดีนะฮะคือจิตใจของมนุษย์นี่คล้ายๆเป็นลูกกฟุตบอลครับอารมณ์ผมไม่ได้หมายจิตใจู้ฟุตบอลในสนามฟุตบอลนะครับพอเข้าตีนใครก็ถูกชุดไปทางโน้นพอไปโน้นไปทางโน้นมันไปทางโน้นเป็นอย่างนี้ครับ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 แต่วัดตัวเราสําคัญกว่าบางทีกรรมวิธีที่ดีเนี่ยไม่ไม่สําเร็จประโยชน์กับเราเข้าใจไหมครับถ้าผมบอกตรงๆเลยนะครับบอกทิ้งเสียอย่างนี้ฟังดูตลกดีแต่ก็เรื่องจริงมีอย่างนั้นเลยสมมติมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทิ้งเสคําพูดเท่านี้นะบางคนทําได้คับบางคนทําไม่ได้เอาละผมจะยกตัวอย่างนะสมมติคราวหนึ่งสีสมรเนี่ยเขา เขามีปัญหานะมีปัญหาหนักมากเลยจนกระทั่งร้องไห้แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งถัดไปเนี่ยซึ่งไม่มีปัญหานะครับก็บอกว่าโอ้ยเสียสมอเลยเรื่องเท่านี้จะไปเสียดายเสียดมเสียดายอะไรเพื่อนคนที่นั่งถัดไปเนี่ยมีสิทธิพูดเพราะเขามีปัญหาเลยในใจเขานะครับแล้วสติปัญญาที่จะพูดพูดยังไงก็ได้บอกว่าเรื่องเท่านี้เรื่องเล็กทิ้งไปซิใช่ไหมครับเป็นงั้นได้นะ สมมติวาอีกคราวหนึ่งเยสีสมอนไม่มีปัญหาขึ้นมาทีนี้เพื่อนคนที่เคยเปล่ามีปัญหาขึ้นมาสีสมอนก็มีสติพูดกก็ทิ้งีิแต่ว่าคนที่มีมหาบอกทิ้งยังไงนเมื่อมันทิ้งไม่ออกนะฮะมันมันอยู่อย่างนี้ครับในเมื่อเรามีอิสรภาพเนี่ยสติปัญญาเราสมบูรณนะ์แล้วเราเห็นคนหนึ่งร้องไห้เสียเสียใจนะเราเห็นยอดยอมนะครับ เราซึ่งเป็นผู้ไม่มีปัญหาเราพูดได้เต็มที่เลยแล้วไม่ใช่เราไม่รู้จริงเยเรารู้จริงๆด้วยนะครับเราพูดจากความจริงใจทั้งวันยูห้อวัหมดเสียใจทำไมเรื่องเท่านี้เรื่องขี้ฝ น, นเราพูดจริงๆด้วยด้วยความจริงใจด้วยแต่เจ้าตัวฟังไม่ออกครับเพราะปัญหามันอัดแน่นอยู่นี่เข้าใจัหมครับแต่ว่าพอปัญหามันหลุดก็นึกออกว่าเออพระคพูดกับเราอย่างนี้ทีนี้ก็ดีแล้วเข้าใจไหมครับ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 รถคันนั้นวิ่งหายหัวไปไหนแล้วเราไม่ได้รู้จักคนในรถด้วยนะแต่เรายังอายไม่หายไม่รู้อายใครครับคือมันติดคิดนี่เองเข้าใจไหมครัโอ้ยมันติดติดคิดอยู่นี่เองที่จริงคนในรถเมย์เขาลืมไปแล้วเพียงพอรถเคลื่อนนั้นใครจะมาสนใจเราถึงขนาดนั้นแต่เรารู้สึกโอ้โหยายขี้หน้าอายเหลือเกินเราติดคิดครับสมมติเราปัดคิดทิ้งกันไปเท่านั้นเองทุกเรื่องนึงครับไม่ใช่พอเรื่องหนึ่งนะเรื่องกามเนี่ยเป็นเรื่องคิดเท่านั้นเองไง มีเขาหนึ่งหมอโ น, น้วยขาหนึ่งเขาสนใจทํารมะมาคุยดีกับผมบ่อยครับแต่แล้วเขาเขากลับเพราะว่าเขารู้อะไรน้อย ก, ยกยว่าัญญางเขาสิเขาปรึกษาปัญญาเกาว่าพี่เนี่ยมันยังติดเรื่องนี้อยู่ไม่รู้จะทําไงเมียก็บอกก็เลิกคิดซะมันก็หายติดก็เ <c oughs> มียก็พูดตรงมากๆแล้วก็เขาเลยนึกออกว่าเออจริงๆด้วยนะพอไม่คิดทนั้นมันก็หมดจริงไหมครับผมพูดเนี่ยทุกเรื่องจะหมด ตว่ามันจะไม่หมดเมื่อเราคิดครับเราเราติดคิดแล้วก็ไอ้ความคิดที่มันมีออกผมเปลี่ยนอีกทีนึงครับว่าคล้ายๆมียางเหนียวๆนะครับที่จะเชื่อมสมมติเราเอาไอ้ไม้ท่อนเล็กๆมาเนี่ยแล้วเอากาวที่มีที่เหนียวๆมันเชื่อมเชื่อมเมันแท่งยาวนะครับแต่สมมติว่าไอ้เมือ่อใดที่กาวมันเสื่อมคุณภาพนะครับ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 แล้วตัวมันก็มีปัญหาในตัวมันกันนะครับคล้ายๆว่าเสาคอนกรีตต้นหนึ่งเนี่ยมันหักโค่นผมวิ่งกันไปเอาบาดยันมาเนี่ยมันอยู่แต่ว่ามันอันตรายมากๆเลยผมเผลอเดี๋ยวมันทับตัวละมันต้องอ๋อเมื่อคืนก่อนี่ผมผมปัญญาที่ยืดยาวนะผมจะย่นย่อความสัมพันธ์ระหว่างสติสมาธิปัญญานะครับสตินี่เปรียบด้วยอ๋อคือสตินี่มันทําหน้าที่ละความไม่รู้ตัวเท่านั้นครับ กิจของมันนะคือเมื่อมีความรู้สึกตัวมันก็ละความไม่รู้สึกตัวแต่ความรู้สึกตัวนั้นมันอาจจะทุกข์ก็ได้มันรู้ตัวแนละ้วแต่มันทุกข์แต่มันรู้ตัวนะว่ามันทุกข์ที่นี่แต่มันละไม่ได้ครับ <S <S ดังนั้นสติทาหน้าที่ละความไม่รู้สึกตัวทีนี้พอสติต่อเนื่องกันเข้านะครับต่อเนื่องกันเข้าเ้ามาถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดกาลังขึ้น ดังนั้นสมาธิเนี่ยเป็นพียงผลของการต่อเนื่องของจิตตัวรู้สึกตัวนี้ผมรู้สึกตัวถีเถ่เข้าถี่เข้ามันเกิดเป็นกําลังเป็นพลังนี้มาทีนี้พอมันเป็นพลังมันก็ละความซัดสายของจิตนะครับความฟุ้งซ่านในจิตมันมันเริ่มถูกละด้วยสมาธิแต่ละความซัดสายแล้วมันยังไม่รู้เห็นรูปนามตามที่เป็นจริงครับมันมันเลยมันข่มไว้เท่านั้นเองสมาธินีย่ยังไม่ได้ละครับ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 ร่างกายเราไม่คันนะคต่อมามันมีผงอะไรเข้ามาเรารู้สึกมันแปลกปลอมนะจริงไหมครับทีนี้มาดูอันนี้นะครับว่าอันนี้ผมไม่ใช่นินทาครูบาอาจารย์ที่เคยสอนนะครับผมเคยเป็นนั่งฟังที่วัดสกเกรหรือวัดมาธาเ น, นี่ยผมฟังผมคิดว่าฟังถูกแต่ยิ่งปฏิบัติยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นครเนี่ยผมได้ยินท่านสอนว่าเมื่อราค้าเกิดให้กําหนดรู้ว่าราค้าเกิดนะ ผ, มผมคิดว่าถูก ผมก็กำหนดพราะกำหนดมันเลยจําตัวราคานั้นใหญ่เลยครับกว่าผมจะจับได้นี้ไม่ใช่นะนานมากครับพอโทสะเกิดเรากําหนดแล้วโทสะเกิดมันเลยฝังใจกับโทส ะ, ะครับทีหลังมาง่ายขึ้นครับแต่ว่าตัวตํารามันพูดอย่างนั้นจริงใช่ไหมครับวันนี้ทีหลังเนี่ยผมจับได้ว่าเอ้ยไม่ใช่เแล้วครับมันเกิดไหวไหวเพื่เองว่าเราต้องจําสภาพซึ่งไร้โทสะไว้ล่วงหน้าก่อน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 โอ้ผมปฏิบัติผิดนานมากครับเพราะเขาสอนอย่างนั้นจริงนะผมไม่ใช่แกล้งจ้วงจับคุณวาสานะพูดกันมากทิ้งเทพโดยเพื่นิ้งเทพครับว่าเมื่อราคะเกิดให้กำหนดรู้ว่าราคะเกิดกับเราแล้วหนาแน่โทสะเกิดโทสะเกิดทีนี้มันยิ่งจำตัวนี้ครับจำตัวโทสะจำตัวนี้หนักเลยทีนี้ ทีนี้ที่ผมเข้าใจนี่คือมันจําตัวที่ไม่มีราคาไม่มีโทสะจริงไมครัมันมารู้ตัวที่ไม่มีราคาเนี่ยเราไม่ได้มีทั้งวันทั้งคื น, นจริงไหมครับเราไม่ได้มีอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนเราสบายส บ, บายครับแต่ว่าพอมีอะไรกระทบมันเกิดครับเกิดราคาขึ้นเกิดโทสะขึ้นมันมันมันเป็นผลเข้าใจไหมครับ ยัมานทำที speed, ่ไหนทำติดตีนีปีแล uh uh ้วสอปีแล้วที่ไหนที่ท่ถือแลเจ็บนานจังาตอโออกมาเจ็บนานจังเขาต้องสบายใจเคยๆบ่งบอกปีนแต่พอปีมาถึงที่มันบ่งไม่ออกอ่ะนะแต่ว่ถ้ามันมันคอมันที่ใไม่รู้แบบว่าเพราะว่ามันคิดออกมาแล้วจะต้องหาคนที่บถามแล้วสบายใจ่เบบมันอย่างี้ รที่จริงที่ท่านกําหนดรู้ได้วันนี้เมื่อกี้ติดนั้นมันสติดีแล้วนะครับคือดีคือคําว่าสตินี่มีความหมายนี้ครับหมายว่าเมื่อใดที่ขาดสติเมื่อใดที่ที่มีสติก็รู้มีสติเมื่อใดที่ขาดสติก็รู้นั่นคือสตินี่คล้ายๆเมื่อใดเราหลงหนะครับเรารู้ว่านี่หลงนั่นแหละนั่นแหละดีขึ้นแล้วครับ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 ทีนี้ที่เหลือมันเป็นเศษนะครับเรานานข้ามมันจางไปเองไม่ต้องไปสนใจ ไ, ไ, ไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวก็จางไปเองครับเอาอย่างนี้นะเหมือนกับว่าออแล้วถ้านอนฝันนะครับสมมตินอนแล้วฝันฝันว่าสมมติฝันอุผีไล่สมมติสมมติไปนมมั่นนั้นนี่ครับฝันวุาผีไล่แล้วก็ตกใจมากในฝันนะครับ วิ่งสุดแรงเกิดปดิตกใจตื่นตื่นมาแล้วใจเต้นต้มต้มต้มแต่ว่าท่านไม่ต้องทําอะไรกับมันนะเพราะว่าบันทึกท่านรู้แล้ว่ามันฝันไปเข้าใจไหมเออฝันไปแล้วนะแต่ว่าใจนีนยังไม่หายนะมันยังต้มาต้มแต่ว่าไม่ต้องยุ่งกับมันะเดี๋ยวมันจบเองเพราะมันรู้เสีแล้วเออเมื่อกี้เราเผลอไปแค่นั้นเองเข้าใจไหมที่จะขืนไปพยายามที่บังคับใจ